ขอความสุ ข, ขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายประสูทธ์ในวันนี้ก็คงเป็นมงคลแห่งชีวิตคือข้อความในมงคลสูตรต่อไปในข้อต่อไปนั้นก็คืออารติวิรติปาปามัชฌะปานาจะสั้นจโมะประมาโดจะทำเมสุเอตมังกะละมุตตมังอารติวิรติปาปานั้น หมายถึงการงดเว้นจากบาปทั้งหลายลซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาจิตใจของบุคคลให้เกิดผลทั้งในส่วนที่เป็นทิฏฐธรรมและส่วนที่เป็นสัมปราคิกถะประโยชน์คือประโยชน์ในภายภ า, ยาคหน้าตกแต่งภพชาติของตนให้มีความประนีตมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัย เพื่อเดินไปสู่จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาคำว่าบาปนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอกุศลใเจตนาก็คงจะไม่อื่นไปจากความโลภโกรธตงจะเกิดขึ้นจากกิเลสสามสายเหล่านี้เมื่อบุคคลกระทาพูดลงไปมีผลในการกระทบ ต่อสวัสดิภาพด้านต่างๆของบุคคลอื่นและกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นข้อนี้จะเห็นได้ว่าหลักของศีลหประการหรือหลักของอกุศนกรรมบทสิบประการนั้นเป็นฐานหลักที่นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของบาปศีลทั้งหประการโดยเฉพาะคือสีข้อแรกที่ท่านเรียกว่าเป็นกรร ม, มกิเลส คือการกระทำด้วยอำนาจกิเลสโดยการกระทำด้วยจิตใจที่เศร้าหมองนั้นมีผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุขของบุคคลอื่นอาจจะเกี่ยวกับร่างกายทรัพย์สินคู่ครองของบุคคลอื่นแต่ผลประโยชน์ของบุคคลอื่นเป็นต้นการปฏิบัตินั้นตรงสอนในลักษณะที่ละเมียดละไมขึ้นไปโดยลำดับอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าแม้แต่ศีลแต่ละข้อที่สมาฐานไป พอถึงจุดของความละเมิดละไมก็จะเข้าถึงใจทุกสุดได้คือแม้แต่ความคิดต้องการจะทํำลายล้างความคิดต้องการที่จะฉกฉวยเอาสิ่งของของบุคคลอื่นหรือความคิดในทางที่กาดความชื่อสัตว์ต่อกันและกันของสามีภรรยาก็ถือว่าเป็นบาปในทางใจ เป็นข้อที่ส่งสอนให้งดเว้นเมื่อใครสามารถงดเว้นได้ก็เป็นอุดมมงคลสมบูรณ์คลพูกนั้นในตอนต่อไปก็เป็นการพูดถึงเรื่องาบาปคือวิธีงดเว้นาบาปที่สนับสนุนกันนั่นเองคือมัชฌปานาเจสัญญโมโดยการสำรวมระวังในการดื่มเครื่องดองของเมาทั้งหลายแล้วข้อ น, นี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่า เป็นการสอนหลักปฏิบัติในสองสามชั้นด้วยกันในชั้นหยาบที่สุดดอกจะไม่เป็นศีลอะไรตอก็เป็นธรรมะในชั้นของการสำรวจระวังคือหมายความว่าบุคคลเหล่านั้นก็คงจะเกี่ยวข้องกับสิ่งมึดเมาเสพจิดจุแต่ก็ระมัดระวังไม่ให้มากเกินไปก็เรียกว่า ให้คนดื่มเหล้าแม่หเหล้าดื่มคนจะสามารถควบคุมสติสมัชัญญ์ของตนไว้ได้เพีงอย่างน้อยก็ดีกว่าพวกที่ดื่มจิตมึนเมาขาดสติยับยั้งชั่งใจในประการที่สองนั้นเป็นความประนีตขึ้นไปคือบุคคลมองเห็นโทษของสิ่งเสพติดมึนเมาต่างๆแต่ก็งดเว้นไม่เสพไม่สูบไม่ดื่ม สิ่งที่ทำผู้เสพผู้สู่ผู้ดื่มให้ม่นเาาก้อนี้เป็นเรื่องที่ออกจะแปลกว่าในมงคลละสูตรและแม้ในมังกรัตติปันนีคืออาธิบายมงคลละสูตรซึ่งเป็นหนังสือที่ครอบงำสังคมไทยเรามาตลอดก็ตั้งแต่ปศประมาณเท่าไหร่1900 จนมาถึงปัจจุบันแต่ว่าสังคมไทยเราก็คงจะเป็นเป็นเช่นนั้นอยู่คือไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิ่งเสพติดให้โทษบางแห่งบางจุดบางงานก็มีเพิ่มขึ้นโดยซ้ำไปไม่มีแม้แต่ระดับหยาบที่สุดไม่ต้องกล่าวถึงระดับกลางคือการมองให้เห็นโทษประจักษ์แจ้งแก่ใจ และในชั้นที่ประนีตนั้นคือคือต้องการให้มีสตินั่นเองเพราะตามปกติคนเรามีความเผ้อเรอหลงลืมพลั้งพลาดกันอยู่ตลอดแม้จะไม่ดื่มสิ่งเสพติดก็ตามแต่เมื่อไปดื่มเข้าไปอีกก็จะปลายกันใหญ่ความพลั้งพลาดบางช่วงบางขณะก็สุดโอกาสที่จะแก้ไขได้ อย่างที่ท่านเล่าถึงประชาชนที่ติดสุราเป็นนิสหรือต้องดื่มสุราตลอดสเสมอเนื้อแล้วก็แกร a มโดยสุราวันหนึ่งไม่มีเนื้อที่จะแกร้มสุราเกิดตาลายขึ้นมาในขณะที่จะกำลังเมาเหล้าก็หักคอลูกของตัวเองให้คนเอาไปแกร้มทำมาเป็นกับแกร้ม พอตื่นขึ้นมาก็รู้อะไรเป็นอะไรเราก็เป็นการมองเห็นโทษของสุราประจักษ์แจ้งแก่ใจอันในที่สุดก็ ง, งดเป็นจากการดื่มสุราได้ตลอดชีวิ ต, ต่คนแต่โบราณยังได้เล่าเป็นนิทานแบบซึ่งนิทานนั้นอาจจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของนิทานอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ แต่ถ้าเรามองถึงผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเป็นเรื่องจริง้อนี้มีใจความโดยสรุปว่าเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสาวสี่คนมีความคิดที่ิลึกพิลั่นไปคนละอย่างการกระทำไม่เหมาะไม่ควรไปคนละอย่างพอเป็นสาวขึ้นมาต่างคนต่างแสดงพิษสงออกมา คนหนึ่งก็วุ่นวายอยกับผู้ชายคนหนึ่งชอบกินอุตตลดเรียกว่ากินทุกอย่างที่ขวางหน้าคนหนึ่งก็ชอบลักชอบขโมยชอบจีบชอบชวยเห็นอะไรก็ต้องลักต้องขโมยไปก่อนอีกคนหนึ่งก็ชอบยุให้เกิดความแตกแยกบางวางไม่รู้จะทำอะไรก็ยุพ่อกับแม่ทะเลาะกัน ยุพี่กับพี่ะทะเลาะ ก, กันยุเพื่อนบ้านในะทะเลาะ ก, กันคนใช้ในบ้านทะเลาะ ก, กันบ้านเมืองก็บ้านเรือนก็ปั่นปวดไปหมดเลยเศรษฐีไม่รู้จะทำยังไงจะฆ่ามันก็ผิดกฎหมายแล้วก็เอาไปทิ้งไปลอยแพรในขณะที่ทั้งสี่ลอยแพรไปนั้นพอดีมีเรือสมเพลว่าหนึ่งแล่นผ่านมา เธอทั้งสีก็บอกว่าเป็นทิดาของกษัตริย์ตัวกษัตริย์ต่างเมืองยกมารุกรานฆ่าพ่อแม่ตายหมดได้จับพวกเธอทั้งสี่ลอยแพนายสมเภลาก็ดีใจใได้ทิดากษัตริย์ทีเดียวทั้งสีองค์ก็นำขึ้นไปไ ว, ไว้บนเรือทั้งหมดเน่ขึ้นไปบนเรือแล้วทั้งสี่นางก็แผลงฤทธิ์ตามความถนัด กับตันเองก็รู้สึกว่าปั่นปวดวุ่นวายไปหมดทั้งเรือบางทีของหายจากหัวเรือไปอยู่ท้ายเรือหางหายจากกลางเรือไปอยู่หัวเรือก็ไม่รู้รักไปไหนนะอยู่ในเรือแต่ในที่สุดเมื่อศึกษาทิศทางได้แล้วกับตันก็เริ่มแก้ปัญหาโดยเอาคนที่ชอบวุ่นวายกับผู้ชายนั้นมาเป็นพันยาของตัวเองตอนนี้เป็นคุณนายแล้วก็มั่นสง่าขึ้น แจะไปยุ่งกับคนอื่นก็รู้สึกน่าเกลียดก็แก้ได้ไอ้คนชอบกินจะแก้ยังไงก็มอบหมายให้เป็นคนทําครัวเฉยๆอยากกินก็กินไปแก้ได้ต่อมาคนชอบรักก็ให้มีหน้าที่รับผิดชอบสินค้าทั้งหมดภายในเรือแก่ถือครองหมดแล้วแก่รับผิดชอบหมดแล้วแก่ก็รักไปไห น, นรักก็รักวิ่งไปวิ่งมาหัวเรือท้ายเรือกลางเรือแต่นั่นเองจะแก้ได้หมดสามคน ถึงคนที่สี่แก้ไม่ได้เรือยังวุ่นวายสับสนอย่างนั้นเองคนก็ยังทะเลาะบอกแววงกันอยู่ในที่สุดก็ต้องส่งลงแพเหมือนเดิมนางนี้ก็ลอยไปในแพอิระยะหนึ่งท่านเราว่ามีนกอินทรีสองตัวผัวเมียบินมาก็โชบลงไปเราติดต่อกันได้นางก็เล่าเหมือนเดิมนกอินทรีก็เกิดสงสารว่า จะพาไปส่งฟังเอาไม้มาข้าวข้าวให้นางก็นั่งเกาะไปดานี้พอนั่งลมพัดเย็นสบายสบายก็คันปากอยากจะพูดขึ้นมาก็มีข้อแม่นะฮะสั่งว่าอยากไปพูดอะไรแต่แกก็พูดต่อก่อนไปบอกนางนกว่าเอ้นกตัวพูดนี่หันมาเลียวตากแกเป็นตำนองว่า พอถึงฝั่งแลยจะทิ้งเธอเลยจะไปอยู่กับฉันนางนกก็โกรธเอออ้าปากจะตอบจะดา่าพอ้าปากไม้มันก็หลุดคนมันก็หล่นตกทะเลตกทะเลทีนี้ตายนะฮะไม่มีแพลตายก็ปรากฏว่าต่อมาหัวกระโหลกถูกน้ำทะเลพัดไปขึ้นฝั่งใกล้วัดแห่งหนึ่งพอดีพระกำลัง ต้มน้ำก็หาไอตาอีกาดังไม่ได้ก็หัวกระโหลกนี่ไปวางตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระในวัดนั้นสวดมนต์ก็ไม่ลงกันทะเลาะกันอยู่เรื่อยแตกแจกกันทะเลาะกันท่มเฉียงกันสวดมนต์สวดพรก็ไม่ลงกันวุ่นวายไปหมดทั้งวัดเลยสมภารก็ศึกษาดูมันเหตุอะไรพระอยู่ดีๆจึงเป็นเช่นนี้ก็จับได้ว่า มันมีสิ่งที่แปลกปลอมมาเพียงอย่างเดียวคือหัวผีที่เก็บได้ริมทะเลเลยเอาไปทิ้งใชตังวัดก็เรียบร้อยต่อมาก็มีคนไปต้มเหล้าในป่าก็หาเตาอีกตอ น, นึงไม่ได้เหมือนกันก็เจอหัวผีนั้นก็ไปวางเป็นเตาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคนดื่มเหล้าก็ถูกดิ้ดหัวผีในทะเลเข้าสิงอูจาก็ไม่รู้เรื่อง เพื่อนฝูงกันก็ทะเลาะ ก, กันแตกแยกกันผัวกับเมียก็ทุบตีกันมางทีก็ฆ่ากันนี่ก็คือฤทธิ์ของสุราคือโบราณนั้นพยายามที่จะหาวิธีการต่างๆมาชี้โทษของสุราเรื่องราวบุคค ล, ลทุกสิ่งทุกอย่างที่จริงไม่ใช่เฉพาะสุรานะฮะคือแปลว่าสิ่งที่ทำผู้ดื่มให้มืนเมาแล้วก็ตั้งอยู่ในความประมาท ถ้าท่านลองแปลข้อความในสุราเมรยะมัชชะปะมารธานาเวรมณีแปลว่า ง, งดเวน้นฐานะแห่งความประมาทคือเหตุให้เกิดความประมาทความเผลอเร่อความหลงลืมความพลังพลาดความบุบป่ายต่างๆที่เกิดจากการดื่มสุราและเมรัยที่จริงก็เป็นต้นนะครับ คือไอ้ไอ้ความรุนแรงของสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มมาจากเมรัยเป็นต้นไปในปัจจุบันนี้มีสิ่งต่างๆเป็นนั้นมากที่อยู่ในสายนี้เลอมีความรุนแรงมากกว่าสุราก็มีซึ่งแน่นอนถ้าเกินในชั้นของศีลมันก็ผิดศีลทั้งหมดพะท่านกําหนดมาฐานยังตามไว้ที่เมรยัยเมรัยก็คงจะเป็นอะไรตานองไอ้สาโทไ อ, อ้ไรหวากอะไรที่เขาเรียกเออ พ ว, พวกเครื่องดองต่างๆที่แบบไทยๆก็กินกันเน่่อ จ, จะระดับระดับเบียเบียมเป็นไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็สรุปว่าระดับที่ดื่มมากๆแล้วก็ทำให้เมาได้ก็เริ่มต้นจากนั้นไปซึ่งจะเห็นได้ว่าคนที่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ก็มีแต่อัประมงคลด้วยประการาต่างๆอับประมงคลขนาดไหนก็ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเขาไม่สำรวมระวังขนาดไหน ถ้าสัมรวมระวังอยู่ได้ก็อะมงคลน้อยหน่อยแต่ถ้าขาดการสํารวมระวังมากขึ้นก็อประมงคลมากขึ้นเพราะงั้นถ้ากลับไปสํารวมระวังได้ตั้งแต่คือไม่ดื่มเลยมันก็เริ่มสิ่งที่เป็นมงคลขึ้นมาในสายนี้ความเพลิดเพล้งพลาดหลงลืมต่างต่างก็บรรเทาประปางลงไป ต่อไปชงทรงช้คำว่าอปมาโดจะทำเมสุเอตมังคารมุตตะมังคือความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคำว่าในธรรมนั้นหมายถึงในองค์ธรรมะในกรณีในเหตุการณ์ในบุคคลในอารมณ์ในเรื่องราวต่างๆซึ่งบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์จะต้องเกี่ยวข้องด้วยความไม่ประมาทไม่เพอเร่อไม่หลงลืมไม่มัวเมา สายของความประมาทนั้นประสง์แสดงเป็นสามสายอยู่ตลอดแล้วก็เป็นกลุ่มๆนะฮะที่พร้อมจะกระจายตัวเองออกไปเป็นอันมากเริ่มต้นด้วยความไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคโดยในการประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและความคิดของตนก็ไม่ไม่ให้ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริต ละว จ, จีทุจริตปรพฤติว จ, จีสุจริตละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตละความเห็นผิดทําความเห็นให้ถูกซึ่งข้อนี้ที่เป็นสข้อนั้นเราสรุปอีกทีหนึ่งก็คืออยู่ในข้อที่เป็นอกุศลกรรมบท10ประการนั่นเองคือไม่ประมาทในการงดเว้นอกุศลกรรมบทสิบประการ ไม่ประมาทในการประพฤติตามกุศลกรรมบททั้ง10ประการในชั้นหนึ่งเป็นเรื่องของความประนีตขึ้นไปได้แก่การระมัดระวังใจของตนไม่ปล่อยให้สิ่งที่เป็นสื่อหรือเป็นพาหะของความประมาทเข้ามาสู่จิตได้แก่อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ยเย็นดี เกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความหมัวมเมงผ่านเข้ามาสู่จิตใจข้างต้นข้อนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าเพราะก็จริงกิเลสก็คงเกาะกลุ่มไปเป็นโลกโกรดโงงอยู่นั่นเองก็ยังไม่ออกไปจากนอกโลกโกรดโงงอยู่นั่นแต่ส่วนที่เป็นกุศลก็คงไม่โลคไม่โกรธไม่หลงอยู่นั่นเองความไม่ประมาทในชั้นนี้เป็นชั้นของศีลธรรมจันจา แม้ในมงคลตอนต่อๆไปก็จะมีเรื่องเหล่านี้เข้าสนับสนุนการที่ทรงแสดงมาโดยลำดับนั้นจะพบว่าไม่มีอะไรทิ้งกันคือแต่ละข้อจะมีการหนุนช่วยกันมาเองเมื่อเกิดสูงขึ้นก็ไปเพิ่มปริมาณของระดับต่ำให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเช่นเดียวกับอะไรเช่นเดียวกับการอ่านหนังสือที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไป แต่ในขณะเดียวกันก็ไปเพิ่มความรู้ความเข้าใจข้างล่างให้มีความลึกซึ้งประณีตมากยิงขึ้นไม่ได้ทอดทิ้งตั้งแต่กอขอก อ, อ, อการมาเลยทีเดียวมงคลทั้ง38ประการเมื่อเดินมาถึงบันไดขั้นนี้แล้วก็คงเป็นเช่นนั้นคือไม่ได้ชิ้งอะไรตั้งแต่ตอนต้นแต่ละอย่างก็คงจะหนุนกันเองในแต่และข้อแล้วก็เป็นเหตุเป็นปันจจัยของกันและกันสนับสนุนส่งเสริมกัน เพื่อผลักดันให้คนเข้าถึงความสมบูรณ์ในการประพฤติปฏิบัติหรือในการดำเนินไปสู่อุดมมงคลแห่งชีวิตประการต่อไปนั้นชุดนี้ก็ทรงจบด้วยคำว่าเอตมังคา ม, มุตตมังเหมือนกันแปลว่าสามประการนี้เป็นอุดมมงคลในข้อต่อไปก็การโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกตันยุตา กาเลนธรรมัตสวนังเอตมังกะลมุตตมังนี้หลายข้อหน่อยคาระวะก็คือการแสดงความเคารพนอบนบอ่อนน้อมต่อวัตถุต่อบุคคลต่อสิ่งที่ควรเคารพ อ, อ่อนน้อมลักษณะของความไม่เคารพนั้นก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยมาณนะความกระด้างทางใจที่อาจจะอาศัยอะไรก็ได้ อาจจะสายรูปร่างชาติสกุลวิชาความรู้ฐานะทางสังคมตลอดถึงความเป็นลูกของสกุลชาติเชื้อเผ่าพันธุ์ต้องตินที่อยู่ที่อาศัยคือคนเราบป็นพร้อมที่จะแบ่งได้ทั้งนั้นไม่รู้ไม่รู้จะเอาอะไรมาแบ่งก็อาจจะเอาบางสิ่งบางอย่างที่ตัวคิดว่าตัวเด่นตัวเก่งขึ้นมาแบ่งดูถูกดูหมิน่นบุคคลอื่นนั่นก็คือความกระด้างของใจ กิเลสประเภทมานะนั้นเป็นกิเลสที่ยากนะคือละได้ยากมากเอาก็จริงขนาดพระนาคามียังเอาไม่ได้หมดนะยังละไม่หมดนะข้อนี้จึงมาขึ้นมาอยู่สูงมากเป็นการก้าวเดินบันไดามา20กว่าขั้นแล้วคาระวะที่เน้นนั้นก็คือการยอมรับนับถือสถานะของบุคคลอื่น มีความเคารพมีความคารวะต่อกันในเรื่องนี้แต่น้งหลายจะเห็นว่าการอยู่ร่วมกันของบุคคลถ้ามีความกระด้างเข้าหากันก็ไม่ต้องเอาลายละปูพื้นมันก็ปูไม่ได้ตัางขวายต่างไม่ยอมประสานกันแม้แต่สามีพัญญามีความกระด้างเข้าหากันมันก็อยู่กันไม่ได้แต่ก็อยู่กันอยู่แบบยักษ์กับยักษิกทีนีก็ตีกันบ้านพัง พออยู่ได้ เ, เป็นทับยักษ์ไปดังนั้นทรงแสดงเริ่มต้นมาจากความคิดเป็นการปรับฐานความคิดคืยกตัวอย่างสัตว์ดิเรกชานไง ย, ยกตัวอย่างว่าสัตว์ดิเรกชานเองก็ยังมีความเคารพคารวะซึ่งกันและกันเล่าถึงสัตว์3ชนิดกนกกทาลิงช้างเป็นสหายกันมาอยู่กันมานาน ต่างคนต่างก็เล่นหัวกันจนไม่มีการบรรยะบรรจังก็ไม่ค่อยจะสงบเมื่อกันประกาศความเกรง อ, อกเกรงใจกันเรามีปัญหาบางทีก็ตัดสินอะไรไม่ได้เพราะต้องเฉียงกันต่างคนต่างก็ถือว่าดีในสุดก็มาประรบกรันว่าการอยู่กันในลักษณะนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรควรจะมีการแสดงความเคารพต่อกันแต่ปัญหาาจะให้ใครเคารพใครจะเอาอะไรมาเคารพ อะไรเป็นเงื่อนไขเป็นมาตรฐานของการเคารพในกรณีนั้นก็นึกได้ว่าเอาเอาอายุกันก็แล้วกันแต่ก็ไม่รู้ว่าใครแก่กว่าใครในสุดก็ทั้งสมสัตว์ตกลงเอาต้นไส้ต้นหนึ่งขึ้นมาพิสูจน์ว่าใครมีอายุมากกว่าลิงแกก็บอกว่าตอนแกช้างแกก็บอกว่าตอนก็เป็นลูกช้างอยู่เัน เวลาแกเดินผ่านต้นไทรต้นนี้ปลายของต้นไทรนั้นกระทบทองของแกซึ่งแสดงว่าต้นไทรต้นไทก็โตมากแล้วลิงก็บอกว่าตอนแกเป็นลูกลิงอยู่นั้นแกสามารถเอื้มอมยิบยิกใบเก็บใบใบต้นไทรได้แสดงว่าลิงเห็นต้นไทรเมื่อในขณะที่ยังเล็กอยู่ นกกระทาแกก็บอกว่าเมื่อก่อนต้นไทรตรงนี้ไม่มีหรอกแกไปกินลูกไทรในที่หนึ่งแล้วก็มาถ่ายไวไ้ในตรงนี้เดี๋ยวก็งอกขึ้นมาเป็นต้นไหรจากการนับโดยวิธีนี้ก็แสดงว่านกกระทาแกกว่าคนอื่นเขาอีกสองสัตว์ก็ให้ความเคารพยำเกรงนกกระทาถือว่าเป็นหัวหน้าเป็นพี่ใหญ่การอยู่ร่วมของสัตว์ทั้งหลาย ก็อยู่กันมาได้โดยปกติเพราะมีความคเคารพเกรงใจซึ่งกันและกันนั่นก็คือจุดพื้นฐานที่ต่ำสุดแล้วมองจุดสูงสุดอีกจุดหนึ่งจึงจะเห็นได้ว่าขาดจุดที่เราจะยึดเหนี่ยวให้ความเคารพนับถือไม่ได้พระพูมีพระรภาคเจ้าเมื่อตอนจัดสรุปใหม่ๆได้ทรงพิจารณาดูพระองค์เองก็เห็นว่าพระองค์นั้นเป็นสยามภู ผูรู้เองผู้เป็นเองเป็นผู้ศัตรูดีศัตรูชอบด้วยตนเองจะควรเคารพใครในโลกนี้ก็หาคนที่เคารพไม่ได้เพราะไม่มีใครที่สูงกว่าพระองค์ในด้านพระคุณแต่พระองค์ก็มีความรู้สึกว่าคนเราจะอยู่อย่างไม่มีที่เคารพมันก็ไม่ได้เหมือนกันก็ตกลงว่าพระองค์เคารพพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ดสรุปมา ดังนั้นตลอดประชนอาชีพของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้ความเคารพต่อพระธรรมอย่างสูงบางครั้งบางคราวแม้พระเทศพระสาธยายธรรมะพระองค์เสด็จผ่านไปจะหยุดฟังเพื่อให้ความเคารพต่อธรรมะซึ่งก้อนนี้ก็เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติต่อมาบางครั้งบางคราวคนเราก็ ก็จะสับสนพอสมควรยันยกตัวอย่างว่าในขณะที่ฟังเทศอยู่สมมติว่าสมเด็จพระสังฆราชเสด็จหรือแม้แต่ใครป่าก็ตามในขณะนั้นลุกขึ้นต้อนรับใครไม่ได้เลยเพราะถ้าไปลุกขึ้นต้อนรับแล้วแสดงว่ามีความอคคาระวะต่อพระธรรมไม่ใช่ไม่เคารพต่อพระเพาะพระเองก็เคารพพระธรรมเหมือนกัน เวลาจะเทศก็ต้องพนมมือแสดงความเคารพต่อพระธรรมถ้าเทศยังไม่จบก็ลุกขึ้นต้อนรับคนอื่นไปได้แต่จะเห็นว่าลักษณะทางสังคมนั้นไปให้ความสําคัญแก่บุคคลมากกว่าธรรมะบางครั้งบางคราวฟังเทศอยู่หรือจะภาพงานศพฟังเทศอยู่มีแขกมาหน่อยลุกขึ้นไปรับแขกนะครับ พระสวดจูวิ่งไปรับแขกได้แล้วเลยทำบุญไม่รู้จะได้บุญหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยเราไม่มีความขัดแย้งกันด้ยวยในสมัยพุทธกาลโบราณบัณดิตได้แสดงจารีตแบบแผนให้เห็นไว้คือต้องมีการแบ่งแจกถึงไอ้สิ่งที่ให้ความเคารพจะตาปานิอุบาสกเป็นอุบาสกระดับพระรยาบุคคล วันหนึ่งท่านนั่งอยู่นั่งฟ้าพระพุทธเจ้าอยู่พระเจ้าประเสนทโกศลเสด็จไปฟ้าพระพุทธเจ้าแต่ก็นั่งเฉยพระเจ้าประเสนิโกศลรู้สึกไม่พอพระทัยพระพุทธเจ้ารู้ความคิดก็ทรงยกจ้องจตปาณิให้พระเจ้าประเสนิโกศลฟังต่อมาจตปานิเดินผ่านอุทยาน พระเจ้าปเนสนีโกศลก็รับสั่งให้คนไปตามมาจาตปานีก็ลดร่มตอดรองเท้าเข้าไปเฝ้าออถวายบังคมพระเจ้าปเนสนิโกศลก็รับสั่งเป็นตำห น, นกักกระทบกระเทียบเอาเธอเพิ่งรู้ว่าฉันเป็นแม่เจ้าแผ่นดินวันนี้เหรอบอกว่ารู้มานานแล้ววันก่อนนี่พว ก, กับฉันที่สำนักพระพุทธเจ้าทําไมไม่แสดงความเคารพ จตฺตาปานิท่านบอกว่ามันก็ผิดการเวลานั้นข้าพระองค์นั่งอยู่ในสำนักของประชาแห่งประชาทั้งหลายเป็นศาสดาแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์นั้นมือกับเจ้าประเทศสราชแดข้าพระองค์นั่งอยู่ในสำนักพระเจ้าจักรพรรดิไปลุกขึ้นตอนรับเจ้าประเทศสราชก็แสดงว่าไม่เคารพต่อพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าประเสนีกุศลก็ขอประเทัย นันจารีตในการแสดงความเคารพจริงๆนะฮะจังว่าเรานั่งอยู่ในสำนักของพระเถระพระเถระโดยพันษานะฮะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่โดยตำแหน่งโดยพันษาเช่นสมมติว่านั่งอยู่ในสำนักสมเด็จพระสังฆราชซึ่งประชนยะตอนนี้84 86 87ไปแล้วใครจะมาก็ตามเรานั่งเฉยไม่ไปลุกขึ้นต้อนรับอะไร เพราะถ้าไปลุกขึ้นตอนรับคนนั้นจะเป็นการอคคาร ะ, ะคือไม่เคารพต่อสมเด็จพระสังฆราชนี่คือหลักในการปฏิบัติในเรื่องของความเคารพบุคคลที่ควรเคารพนั้นต่านกำหนดอย่างสูงเอาไว้ก็หกประการนะฮรที่เราสวดปสถุครุธรรมครุสังเคจติปคาระโว คือเป็นผู้มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาในความไม่ประมาทและในการปฏิสันถานในการปฏิสันทานอยู่ข้างหลังแต่ก็เน้นไปที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาก็มาอยู่ที่ความไม่ประมาทอีกแล้แต่ก็รบในการปฏิสันถานนั้นคือการเคารพอย่างสูง ตรงนี้ไม่ใช่เอตมังคารมุตตมังอย่างเดียวนะฮะแต่ทรงใช้คําว่านิปานเสวะสันติเกเป็นข้อปฏิบัติที่ใกล้ต่อบพอดิพานพอนละมานะได้มันก็จะเป็นพระอาหารหันไปแล้วนะครับที่บอกแล้วว่าพระนาคามียังละไม่ได้เมื่อละได้ถึงมานะก็แสดงว่าใกล้พระอาหารหันไปจะในแต่ละจุดนั้นมีความละเมียดละไหม่อยู่ด้วยตัวเองคือหมายความว่าบางครั้งบางคราวนั้น แ, แสดงความเคารพตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดกันขึ้นแต่ว่าจิตใจยังมีความกระด้างจะถ า, ถามว่าเคารพจริงหรือเปล่ า, าบ่เคารพจริงในด้านกายแต่ว่าใจก็ไม่เคารพ บ, บางครั้งแสดงต่อหน้าดีให้มีธรรมาคาระวะดีพอรับหลังไปก็ตั้งบงนินทาคนที่ตัวเคยเคารพมานั่นเอง อันนี้มันก็เป็นอัปมงคลนะฮะในช่วงหนึ่งเป็นอัปมงคลอีกช่วงหนึ่งก็เป็นมงคลซึ่งในการปฏิบัติที่เป็นอุดมมงคลจริงๆจังจึ ง, จ ง, จ ง, จงต้องลดละมานะได้ได้เป็นการสะท้อนของใจที่มีการยอมรับนับถือสถานะของบุคคลผู้นั้นยกตัวอย่างในกรณีของพระพุทธเจ้าสิจาง คือการเคารพต่อพระพุทธเจ้านั้นเราแสดงสามีจีกรรมกันด้วยการกรบาบไหว้การให้ความเคารพด้วยประการต่างๆในด้านการแสดงออกทางกายเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งแม้แต่ว่าทิศทางอันเป็นที่ตั้งของปูชนียวัตถุเช่นสมมุติว่าอยู่ในวัดบวรเนี่ยพระเจดีย์อยู่ด้านไหนพระจินสีอยู่ด้านไหนก็ะจะไม่เหยีดหยดเท้าไปในด้านนั้นเลยแม้แต่อยู่ในวัดเองเนี นั่นคือความละเมียดละไมเพราะมีความรู้สึกว่าในทิศนั้นในทางนั้นมีวัตุมีบุคคลที่กวนเคารพอยู่จากพระสาริบุตรเทระที่เป็นแบบในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าพระอันุสิอยู่ด้านใดเนี่ยท่านจะไม่ไม่หันเท้าไปด้านนั้นแต่ยิ่งกว่านั้นต้องกราบก่อนกราบไปด้านนั้นก่อนจึงจะนอนและจะไม่หันเท้าไปทางนั้น นี่คือความละเมียดระไมที่แสดงให้เห็นว่ามันเข้าถึงใจเคลื่อนไหวออกมาเป็นอัตโนมัติเวลามีการพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าจะพูดถึงด้วยความเคารพ บ, บางอย่างที่เราไม่อยู่ในวิสัยจะวินิจฉัยตัดสินได้ก็ถือว่าเป็นพุทธวิสัยถทวายพระองค์ไปไม่มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์เ็นได้ว่าลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยากกัน อย่างคนบางคนในปัจจุบันโดยเฉพาะนักวิชาการเวลาพูดถึงพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสิทธัะเรียกอาการครูเรีย ก, ย ก, ยกนักเรียนก็น่าเคารพนับถือกันด้วยกันในขณะเดียวกันก็ต้องการให้คนอื่นเคารพนับถือตัวเองแต่ตัวเองไม่เคารพนับถือบุคคลที่ควรเคารพนับถือแม้จะพูดจาก็มีอาคาระวะคือไม่มีความเคารพถึงและในด้านจิตใจก็คือพุทธานุสติอย่างที่ว่า เกลือ ล, ลึกถึงด้วยความเคารพนับถือไม่มีแม้แต่ชั่ววูบของความคิดในลักษณะที่ดูหมิน่นต่อพระพุทธเจ้าเข้าถึงใจจริงๆ เ, เรื่องนี้อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นกิเลสที่ละได้ยากเอาเข้าจริงแล้วมีความละเมิดละไมเป็นชั้นๆลงไปซึ่งอาจจะมีช่วงหนึ่งมีอย่างหนึ่ง ที่ก็เอาความคิดความเห็นของตัวเองของครูบาอาจารย์ตัวเองมาหักลาา้างพระพุทธวจนะเป็นต้นนี่ก็คืออคารวะต่อพระพุทธเจ้าแสดงว่าไม่มีความเคารพเอื้อเฟื้อต่อพระพุทธเจ้าพอถึงด้านธรรมะชั้นระเมียดระไมจริงๆนะฮะคือที่แสดงเฉพาะกายคือแม้แต่นังสืออักษรที่จะรึกธรรมะ ก็จะไม่วางไว้ในที่ต่ำจะไม่ใช้อวัยวะเบื้องต่ำไปถูกต้องสิ่งเดล่านั้นเลยจะวางไว้ในที่สูงไม่หยิดย่ำแต่คนบางคนก็ไม่แน่ไปไปไปในที่ประชุมก็ให้หนังสือธรรมะมาไปนั่งพื้นมันพื้นเปื่อ น, อออ น, อนก็เอาหนังสือวางนั่งเลยซึ่งมาก นี่เราจะเห็นว่ามันก็สร้างสิ่งที่เป็นอัปมงคลกันอยู่เรื่อยๆในขณะเดียวกันเราก็เรียกร้องสิ่งที่เป็นมงคลมันก็เกิดมงคลได้ยากแต่ละชั้นของการปฏิบัติมาถึงจุดนี้จะมีความละเมัดระวไมคือต้องเข้าถึงใจตลอดแต่ยังเข้าไม่ถึงใจก็ชื่อว่ายังไม่เป็นอากรวะไม่ไม่เป็นคารวะที่แท้จริงประการต่อไปนั้นที่จริงเป็นตัวเสริมนะครคาร ว, วจนิวาโตจะ นีว่าตะแปลว่าไม่มีลมมีลมออกแล้วว่าตะก็คือลมนี้ก็เข้าลมออกก็ลมออกคือไม่เบ่งเพื่อเป็นทายก็คือไม่เบ่งนั่นเองไม่จองของไม่ลำพองไม่คะนองไม่อวดดีไม่อวดยิงไม่ย่อยิงต่างๆ่าซึ่งหมายความว่าเป็นอาการของคาระวะนั่นเองแต่ต้องเน้นอีกทีหนึ่งว่ามันต้องออกมาเป็นชุดจึงพฤติกรรมให้ได้คือการปรากฏทางกายทางวิจาให้ได้ ใน แ, แก่การแสดงความอด น, น้อมถ่อมตนต่อบุคคลอื่นลักษณะาการอ่อนน้อมนั้นไม่ได้หมายถึงการอ่อนแอ่ที่ท่านบอกว่าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอจิตใจที่มีความเข้มแข็งมั่นคงยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีให้เกยียรติยกย่องต่อบุคคลต่อวัตถุต่อ สิ่งต่างๆที่ควรเก่การให้เกียรติจุกจ้องอาการเหล่านี้ท่านมองย้อนกลับไปในมงคลต้นมันก็คือแนวปูชาจะปูปชาเจปูชนิยานังคือบูชาผู้ที่ควรบูชานั่นเองแต่เป็นความเคลื่อนไหวที่เข้าถึงใจขึ้นเท่านั้นเองมีความเข้มข้นมากขึ้นสูงขึ้นมีความประนีตขึ้นไม่แสดงอาการเยื่จริงอวดดีมานะลำพอง ทั้งด้านกายทั้งด้านวาจานันก็เกิดมาจากจิตใจที่ยอมรับนับถือสถานะของบุคคลอื่นในข้อนี้จะพบว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นมงคลสมผลทั่วไปแม้แต่พระก็ต้องให้ความเคารพต่อบุคคลอื่นเช่นว่าจะเดินผ่านคนเฒ่าคนแก่ญาติโยมก็ต้องก้มหน่อยไม่ใช่ว่าเดิน สง่าไอ้สง่าอย่างนั้นมันก็ได้แต่ว่าเป็นความกระด้างทางใจพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไอ้ลักษณะของนิวาตะคือความอ่อนน้อมด้วยความอ่อนโยนเอาไว้ให้บุคคลลดละความกระด้างภายในใจที่ออกมาเห็นได้สัมผัสได้ พระ่าจะพูดภายในใจอย่างเดียวมันก็เห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้มันก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงสามารถประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนได้ต่อบุคคลทุกคนเวลาสอนระดับคนร ะ, ระดับพระอาหารหันต์เช่นพระหมหากัสปะซึ่งท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะฮะพระหมหากัสปะนั้นเข้าใจว่าตอนบวชอายุจะร่วมแปดสิบแล้วนะฮะเพราะท่านมีอายุตั้งร2อยี่สิบ เป็นกัสปะผู้เท่าบุตรุทิตพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วกันข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตอนแรกก็คือลดละมานะฝั่งก็ตั้งให้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนประดูก่อนกัสปะเธอพึงเข้าไปตั้งความละอายและความยำเกรงไว้ในภิกษุทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นปานกลางทั้งที่เป็นผู้เท่าอย่างแรงกล้า นั่นก็คือคาราวะกับนิวาตะพอถึงบทฟังธรรมก็เอาอีกทุกอณก์สสปะเตอพึงสำเนียกศึกษาว่าเราฟังธรรมมันใดจากเงี่ยขูลงฟังธรรมนั้นพิจารณาข้อความแห่งธรรมนั้นนี่ก็คือความอด น, น้อมตอบพระธรรมเวลาสั่งสอนพระมหาโมคคลานะเทระ คือพระมหามคคลานาเทระนั้นเป็นพระเทระระดับที่เรียกว่าเฉียบขาดนะฮะคือเป็นคนที่เอาจริงวจังพระเจ้า ก, ก็สอนว่าดูก่อนโมคคลานะเธอพึงทำความศึกษาว่าเราจากไม่ชุงวงคือถือตัวเข้าไปสู่สกุลนั่นก็คือลดละมานะความกระด้างแสดงออกมาเป็นนิวาตะคือความอ่อนจน ความอ่อนโยนที่แสดงออกมาภายนอกแต่ไม่ใช่อ่อนแออย่างที่ว่าแล้วเป็นการกำหนดคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นไปโดยธรรมชาติก้อีสังเกตว่าอะไรก็ตามที่อ่อนก็จะอยู่จุดสุดยอดของสิ่งเหล่านั้นเป็นการแสดงถึงความมีค่าอย่างหนึ่งเป็นการแสดงถึง อ, อยู่สูงสุดประการหนึ่งเช่นว่ายอดไม้ต่างๆก็อยู่บนจุดสูงสุดของไม้ ไอ้ข้าวที่มีความอ่อนน้อมรวงแสดงว่ามีค่าไอ้ข้าวที่ชูไอ้รวงอยู่ข้างบนโบกพริ้วอยู่ข้างบนนั้นรีบงั้นนะก็ไม่มีอะไรอย่างที่เขาว่าอะไรคือน้ํำครึ่งไหส่งเสียงดังคึกกระนองแต่ว่าน้ําที่เต็มไหจะไม่มีเสียงดังอาการที่แสดงออกของบุคคลถึงความมีและความไม่มีคุณธรรมก็เป็นเช่นนั้นคือจะต้องปรากฏออกมาได้ทางกาย ก็ทางวา จ, จาเป็นความอ่อนน้อมที่เข้าถึงจิตใจถ้า แ, แม้จะมีอะไรแรงมาโดยธรรมชาติต่างๆที่ทรงแสดงเห็นว่าโดยธรรมชาติเช่นต้นอ้อต้นแขมอะไรต่างๆในนี้ น, นิทานที่เล่ากันมาตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเด็กไปเชีย่ยเห็นพวกคาราวะคณิวาตาัตะตอรอความเคารพความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลอื่นให้ความเค า, คคารพยำเกรง ฝึกปือในแนวนี้พระพุทธเจ้าจะทรงใช้ตั้งแต่ด้านวินัยมาเลยทีเดียวคือฝึกปืนใหเกิดความอดน้อมต่อกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนต่างๆไปหมดไปไลยต่อไปก็คือสันตุทีสันตุทีจกกะกตันยูตาสันตุทีก็คือความยินดีตามมีตามได้ได้แก่หลักของสันโดษนั่นเองสันโดษ เป็นธรรมาที่เมืองไทยเราเข้าใจยุ่งที่สุดคือสับสนที่สุดเเราไปเข้าใจปนกันกันกบพระมากน้อยสันโดษนั้นเป็นคุณธรรมที่ทรงสอนแก่ชาวบ้านคือคนมาถามปัญหาคราวนั้นเป็นชาวบ้านนะฮะไม่ใช่พระถามในมงค ล, ลสูตรแต่ว่ามากน้อยนั้นสอนพระโดยเฉพาะ ในลักษณะตัดสินว่าธรรมวินัยแปดข้อนั้นมีอยู่ทั้งสองข้อทำใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู ah. ้ม ah. ah. ah. ักน้อยไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักมากนั่นคือธรรมนั่นคือวินัยนั่นคือคำสอนของพระศาสดาทำใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้สันโดษไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้ไม่สันโดษนั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินัยนั่นเป็นคำสอนของพระศาสดา มีกข้อที่พระเจ้าทรงสดแสดงแก่พระนางมหาประชาบดีไว้เห็นจะเห็นว่าเป็นคำสอนคนละสายกันความมากน้อยมาความว่าเขาให้มากก็รับแต่น้อยเช่นอย่างในสมัยก่อนพระเราไม่มีลูกสิทธิ์บิณฑบาตมันมีวินัยคุมอยู่อีกข้อหนึงคือห้ามเทเน้ำล้างบาตรที่มีเมล็ดข้าวลงภายในบ้านซึ่งก็หมายความมาต้องฌานข้าวให้หมดแคืนเท ขึนเทลงไปก็ปรับบัติพระท่านจะดูเลยว่าพอและอยังพอพอแล้วก็ปิดบาตรและยมจะตักอีกก็ไม่รับไม่เหมือนพระสมัยนี้มีลูกศิษย์บางทีก็ต่อยอดเอาฝาบาทรงายขึ้นรับนั้นก็แถมมีย่มแล้วก็มีกระป๋องเลยรุง่งปรุ่งตรงนังเป็นบ้าห อ, อกฟางไปเลยสามทุ่มสามโมงยังไม่กลับวัดนี่ก็มันก็เลอ เ, อเทากว่าแยะนะฮะ ก็ไม่รู้จะบินทบาตแลรวจะมาค้าขายกันแนะวิธีนี้เป็นวิธีที่นอกเรื่องนนอกธรรมนอกวินยัยแต่ก็แก้ไขไม่ได้ในโยมก็จะตักพระก็จะรับก็พอดีขนมผสมน้ำยาก็ไปกันได้แต่ว่าในเชิงหลักของพระธรรมวินัยแล้วก็ไม่มีความมักน้อยนะฮะทีนี้สมมติว่า จะอยู่ในจุดกลางคือให้เป็นสันโดษนั้นก็รับตามสมควรก็มีบาดก็จบที่ขอบปากบาดเพราะมีวินัยอีกข้อหนึ่งนะฮะรับเกินรับจนล้นบาดเนี่ยไม่ได้ในกรณีจำเป็นเทศการราตรดยพิเศษจะรับได้ไม่เกินสามบาทจะรับมาแล้วก็ต้องแจกแบ่งให้แก่กันเลยกันนี่ก็เป็นหลักในการปฏิบัติซึ่งก็เป็นมงคล ทีนี้สันโดษนั้นท่านแบ่งออกเป็นสามสายด้วยกันแต่เราพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆแลยเราจะเห็นภาพคือสันโดษในการสแสวงหาในการสแสวงหานั้นให้บุคลคลเขาเรียกว่ายถาภะละสันโดษคือยินดีตามกําลังกําลังเรียกแรงกําลังคนกําลังทรัพย์กําลังทุนเรามีเท่าไรทุ่มเทงลงไปได้เต็มที่เขาไม่ว่าอะไรเลย ได้เงินสักพันล้านหมื่นล้านเขาก็ไม่ได้เสียสันโดดอะไรนะฮะแต่ไม่มากน้อยแต่นั้นเองแลวโยมไม่ใช่พระไม่ต้องเป็นห่วงไม่ผิดธรรมะอะไรคนระับมีข้อแม้จะโกงเขานะอันนี้มันคือสมาชีวะนั่นเองหลักสามาชีวะโยมมีมีคนมีทุนมีอะไรเอาไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรก็ท่านอนาถบินธิกาเศรษฐีนางวิสาขาระยะบุคคลโสดาบันนั้นท่านรวยมโหล้านนะ รวยจนมานับไม่หวาอย่างนาวิสาขานี่ไม่ไม่รู้จะนับยังไงนะไอ้ของเขาท่านเนี่ยไม่รู้ใครจะมานับได้คนมากมายจนสุดที่จะนับได้ตั้งแต่ปู่ตั้งแต่ปู่ของอท่านมาเลยเกินพวกเป็นก็เรียกว่าพวกสกุลผู้มีบุญในกรุงราชเชื้อคือห้าคนรวยจนนับไม่ได้เกิมีมีสมบัติประเภทที่นับไม่ได้ไม่รู้ใครจะนับมากเกินแต่ท่านก็ไม่ได้เสียสันโดษนะท่านเป็นระยะบุคคลโซดับัน รัวสิ่งเหล่านั้นได้มาด้วยกำลังความเพียรพยายามกำลังคนกำลังความคิดกาลังทรัพย์กำลังทุนอะไรของท่านเองเส้นขนานอยู่ตรงไหนคือสิทธิในทางกำลังของบุคคลอื่นอย่าล้ำเส้นขนานไปก็แล้วกันไม่ได้เสียสันโดษอะไรเลยแต่ต่อไปก็เรียกว่ายะถาลาพรสันโดษคือยินดีในส่วนที่เราได้มาจะได้ม า, มากหรือได้มาน้อยก็ไม่ได้ว่าอะไร ให้ยินดีในส่วนที่เราได้มาลักษณะการเอื้อมของจิตที่ประกอบด้วยโลภะจิตจิตของบุคคลตามปกติจะเอื้อมเอื้อมเกินขอบข่ายของตัวเองอยู่เสมอนะฮะนั่งรถยี่ห้อเดียวกันนะฮะพอมารุ่นใหม่มาก็อยากจะเปลี่ยนอีกรุ่นหนึ่งรู้สึกว่ารุ่นน้นมันดีกว่าของเรา หรือแม้แต่ว่ารุ่นเดียวกันก็รู้สึกว่า น, นั่นมันสีมันสวยกว่าเลยต้องหาเรื่องที่จะเอื้อมไปนอกรถของเราให้จนได้แหละนั่นคือใจมันเอื้อมทีนี้ลักษณะการเอื้อมของใจเนี่ยมันก็เสียสันโดษแล้วก็ขาดความสงบขาดความสุขนะฮะขาดสันตุทีปรมังทนังนะฮะคือความสันโดษเป็นบรมทรัพย์กนะ็ทําอะไรทำให้รู้สบายใจจะว่ารับประทานอาหารอาหารในโต๊ะมีบนโต๊ะมีอะไรก็รับประทานเท่านั้นยินดีเท่านั้นอรเด็ดอร่อยกับอาหารเหล่านั้น ไม่จะเอื้อมยนต ก, ตกโต๊ะแล้วก็ลุกขึ้นแต่งตัวไปกินอาหารนอกบ้านอย่างดีก็เอื้อมไปมุมโต๊ะน้นก็เหลือกำลังแล้วนะฮะแต่ลักษณะการเอื้อมทางใจให้สังเกตว่าใจคนจะเอื้อมอยู่ตลอดจะนั่งล้อมบงรับประทานอาหารมันมีความรู้สึกพล่องในข้างหน้าเราว่ามันมีอาหารดีๆเลยมันอาหารดีไปอยู่มุมโต๊ะน้นมาเลย <laughs> พอรับประทานคําแรกช่วยส่งหน่อยพอเพื่อนส่งหน่อยนี่คือการเอื้อมของใจ ซึ่งมีการวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วเราจะเห็นว่าสภาพเหล่านี้มันก็ขึ้นแว บ, บขึ้นแว บ, บลงภายในใจของบุคคลพระเจ้าก็สอนให้เป็นยะถาลาภาสันโดษยินดีตามได้ได้มากยินดีเท่านั้นได้น้อยก็ยินดีเท่านั้นแต่ไอเรื่องการพยายามนั้นเป็นอีกสันโดษหนึ่งนะฮะเป็นยะาถาภราะาสันโดษคนละขั้นตอนกันปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจคนก็อยู่ที่ไม่รู้จักพอในจุดนี้ อย่างที่ท่านศาสนสุพลแจ่มเรีย็บเยียงไว้ในอุทานธรรมว่ า, าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอและเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้ไนไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอพอในจุดนั้นความพยายามก็เรื่องอีกสันโดษหนึ่งไม่ใช่ว่าพอแล้วไม่ต้องทำมากินแล้วไม่ใช่อย่างนั้นในกรณีที่ได้มาเท่าไร่เฉพาะวันนั้นก็ยินดีเฉพาะเท่านั้นยะถาสารุ ป, ปสันโดษยินดีตามเหมาะตามควร ไม่ว่าในการใช้สอยในการสร้างบ้านในการบริโภคอาหารในปัจจัยสี่หรือในอะไรก็ตามคือตามเหมาะตามควรแก่ฐานะตามความจําเป็นโอกาสนั้นๆนะไม่ใช่ว่าทำตัวเป็นอะไรตู้ทองเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้หรือ ว, ว่าบริโภคใช้สอยจนเกินกําลังไปเมืองไทยเรานี้ที่จริงมันต้องรณรงค์สันโดษกันอย่างรุนแรงนะฮะ สมัยจอมพลสฤษดิ์ไม่รู้ใครไปกระซิบท่าน่ะเราโทษท่านไม่ได้ท่านไม่รู้ธรรมะประกาศเลยห้ามพระเทศเรื่องสันโดษเพราะตอนนั้นงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลึก <c oughs> และนิยมภาษีดีข้อเลยอุตลุดกันใหญ่เลยเในข้อ น, นี้เราจะเห็นได้ว่าเมืองไทยเราที่เสียดุลการค้ากันมากนั้นเพราะเราขาดยถาสารุปรสันโดษคือยินดีตามเหมาะตามควรอุตสาห ขึ้นเครื่องบินไปซื้อสินค้าไทยมาจากแคนาดามาจากสหรัฐนะครับว่างๆก็ไปซื้อสินค้าไทยมาจากฮ่องกงสิงคโปร์ไปชอปปิง้งฮ่องกงไปขนสินค้าไทยกลับมาเพื่อจะได้ซื้อของแพงหน่อยแต่นั้นเองนี้เพราะอะไรเพราะเรารถนิยมสูงนะฮะแต่รายได้ต่ำรถนิยมเราก็ข้ามแดนข้ามทวีปออกไปแล้ว ก, ก็กลับมาเป็นปัญหาที่เรียกว่าเราเสียดุลการค้าต่างประเทศอยู่ตลอด ซึ่งเวลานี้ถ้าเรายินดีตามสมควรแก่ฐานะของเราเนี่ยเราก็ซื้อของบ้านเราของบ้านเราก็ดีมีคุณภาพสูงฝรัง่งยังนิยมกันเยอะแยะก็ดีกว่าของฝรัง่งไม่รู้จังไหนไหนแต่ถ้าเมดินไ h a i l a ด์แล้วสั่นหัวทันทีเลยเปลี่ยนชื่อเสียนหนอนทรรที่แถวพระประแดงในเมดิน Japan เมดินยูเดมันก็ไปได้นี่ก็คือปัญหาที่เราขาดสันโดษแต่เราแก้เรื่อง ปัญหาขอ้อนี้สิ่งที่เป็นอุดมมงคลก็จะเกิดขึ้นเยอะๆนะฮะแต่พอขาดสันโดดเข้ามาปัญหาที่เป็นอับมงคลก็ติดตามมาเป็นกระบว น, นกันประการต่อไปก็คือกตันยูตากตันยูตานั้นหมายถึงกัตะเวทีด้วยนะฮะแปลว่ากตัญยูกาตเวทีคือการรู้อุปการคุณของบุคคลข อ, ของสิ่งของสถานที่ของอะไรก็ตามที่เคยเกื้อกูลแกเรา นั้นชั้นละเมิดละไมายทางใจนะคือเอากันขนาดว่านั่งนอนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้แล้วจะไม่ประทุษร้ายต้นไม้ท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลนั่งนอนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้กระทําเช่นนั้นชื่อว่าประทุษร้ายมิตรละเมิดละไมยอย่างนั้นเลยความกระตัญญูนี่นะฮะมาถึงจุดหนึ่งจะละเมิดละไมามากเลยแล้วท่านก็แสดงตัวอย่างบุคคลให้เห็น เป็นแบบอย่างพระสารีบุตรเทระได้เคยรับอาหา ร, รบินธบาตจาราทาพราม์เพียงทัพผีเดียวอาหารเพียงทัพพีเดียวแต่เป็นหนี้ที่จะต้องชดใช้คราวราทาพราหมณ์มีปัญหาใครไม่สามารถจะช่วยได้พระสารีบุตรสานึกคุณของราทาพราหมณ์ก็ไปช่วยช่วยบวชให้คือตั้งต้องการจะบวชเดี๋ยวก็เป็นคนแก่นะฮะคือคนแก่ในปกติมีปัญหา พระเขาไม่อยากบวชให้ครับบวชแล้ ว, ว, ลวมันใหญ่ครับวัดวัดหนึ่งมีหลวงตาตังสี่องค์ไม่พังก็บุญแล้วเป็นปัญหาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาคือคนดีๆเนี่ยพอบวชแล้วเละทุกทีเลยไม่รู้เป็นยังไงบาปกรรมอะไรันเมื่อคนถูกสาปอาตมานี่ตั้งใจไว้อย่างถ้าเป็นสมภารในหลวงตานี่ไม่เอาอยุให้เป็นอุบาสกนนปกครองยากนะค ปกครองพระหนุ่ ม, มร้อยองค์ปกครองหลวงตาสององคมาขอปกครองพระหนุ่มร้อยองค์เป็นคนที่มีปัญหาที่สุดเลยสมัยพุทตการพระราธะเถระนั้นเป็นพระหลวงตาที่พิเศษพระพุทธเจ้าเลยยกย่องมากเลยตรงกันข้ามกับหลวงตาทั้งหลายคือเป็นคนว่านอนสองง่ายนะฮะคาราวจะนิวาโตใจ ก, ก็คือมีความมีสัมมาคาระวะไม่เบ่งไม่กระด้าง จะกลายเป็นพระตัวอย่างที่ยกขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้ก็คือแสดงเห็นว่าคนเรามีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันกันมีการสนับสนุนกันเคยเกื้อกูลกันโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างแต่จิตใจมีความสำนึกกตัญญูต่อสิ่งต่อบุคคลต่ออะไรล่ะเนี่ยและการากัตัญญูก็ไม่เกิดขึ้นในสมัยโบราณเรา พยายามปรับพื้นฐานความคิดของคนมาโดยสิ่งที่เป็นรูปแบบธรรมให้สํานึกคุณต่อแม่พระโพสพุแม่พระตรณีแม่พระคงคาแม่อะไรต่อไม่อะไรเนี่ยฮะนั้นก็ต้องการให้เราไม่กระทําในลักษณะย่ำยีต่อสิ่งนั้นทำให้สิ่งโสกโรกเกิดขึ้นแก่แม่พระคงคากินข้าวหกเรีอยอรายหรือว่าทําสิ่งโสกโรกลงบนพื้นดิน หรือทำลายดินทำลายป่าทำลายใดแต่ไดเนี่ยฮะเห็นว่าปัญหาไอ้ไรภูเขาหัวโลนอะไรอะไรนี่คงยังไม่เกิดหรอกถ้าเรายังยังมีไอ้ำนึกกตันยูละเมียดละไม่เนี่ยแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วสมบคนอากตันยูพระพุทธเจ้าแสดงว่าแม้จะให้แผ่นดินทั้งหมดก็ให้คนประเภทนี้ยินดีไม่ได้แก่ก็คงอัตันยูอยู่ต่อไป กระส่งเล่าเรื่องช้างฉัดทันช้างอะไรต่ออะไรนะที่นายพรานไปช่วยเหลือนายพรานจากป่าส่งมาข้าวบ้านข้าเมืองไอ้นายพรานเกิดโลคงากินไปก็ไปของาต่อตัดจนตายตัดงาช้างจนช้างตายนั้นคือคนอากตัญยูกันนั่นก็ส่วนนั้นก็เป็นอภิมงคลส่วนที่กตัญยูก็เป็นอุดมมงคลกาเลนะธรรมัสสวันัง การฟังธรรมตามการนะฮะเป็นอุดมมงคลอีกข้อหนึ่งการฟังธรรมนั้นไม่ใช่เจาะจงว่าจะต้องเป็นการฟังเทศฟังอบรมกรรมฐ า, านฟังบรรยายที่เป็นธรรมะที่เรียกพูดยาวๆหรอกแต่แม้แต่การสนไอการได้ยินได้ฟังข้อความที่เป็นคติธรรมชวนให้คิดให้เหตุผลในการดำเนิชีวิตก็ชื่อว่าเป็นการฟังธรรม บางครั้งบางคราวถ้อยคําที่เป็นประโยคสั้นๆแต่ก็เป็นสุภาษิตกินใจให้ประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นที่พระสารีบุตรได้กล่าวแก่ไม่ใช่ท่านอสจิได้กล่าวแก่ท่านอุปติสสะปริภาโชคเพียงสองบรรทัดเท่านั้นเองนี่ก็ถือว่าเป็นการฟังธรรมที่อํานวยประโยชน์ให้ แต่ตั้งกล่าวสั้นๆนะฮะทั้งหลายเกิดแต่เหตุปร ะ, าาะทักรฏเจ้าเสตธแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติจัดอย่างนี้นี่ก็คือการฟังธรรมะาการได้ยินได้ฟังเรื่องที่เป็นธรรมะนั้นมีส่วนขัดเกลาวจิตใจให้มีความส ง, งบมีความรู้มีความประนีตขึ้นแต่าาทให้ผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังบางครั้งบางเรื่อง แต่คือฟังมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นขาจาัดความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องต่างๆลงไปได้ปรับความคิดความเห็นของตนให้ถูกตรงตามหลักของพระพุทธเจ้าบางครั้งบางคราวเรื่องการเข้าใจธรรมะการแม้แต่การตีความธรรมะ ถ้าบุคคลมองมองมองธรรมะในรูปของมัชจิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมันก็แสดงว่ามีทางสายซ้ายสายขวาอยูนะ่สำนวนภาษาการเมืองเราอาจจะใช้อย่างนั้นก็ได้คือหมายความว่ามีหักออกซ้ายหักออกขวาอยู่บางครั้งบางคราวเราก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรหรือว่าแยกไม่ออกนะฮะแยกไม่ออกเช่นเมื่อวันที่แปดนะฮะไป ผู้ที่เชียงรายก็มีปัญหาครูก็ถามว่าอิ น, นิพานกับอะไรนะก็เรียกว่าดินแดนของพระเจ้าอะไรนะดินแดนของพระเจ้าเอ่อเป็นอย่างเดียวกันเหรอเป็นอย่างเดียวกันนะฮะเขาบอกว่า อ, อาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเป็นอย่างเดียวกันบอกว่าไม่ใช่หรอกบางคนลยเรื่องกัน นิพานนั้นไม่นิพานไม่ใช่ภพนะฮะนิพานเป็นภูมิของจิตเป็นชั้นของจิตแต่ว่าดินแดนของพระเจ้าหรือแล้วแต่จะเรียกอะไรน ะ, ะแต่มันเป็นภพเพรมันมีสามภพภูมิมีสามภูมิไม่ไม่ใช่ภูมิมีสี่ภูมินะฮะอาจจะเห็นว่ามันก็เหนือชั้นกันแต่ยังมีภพมีตัวบุคคลไปเกิดเป็นผู้เสเวยอยู่ร่วมกันเป็นความสุขอะไรก็ตามแหละ แ, แสดงว่าเป็นสังขารมีชีวิต เมื่อสังขารมันก็ตกในใจรักเมือไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจะแปรปรวนชา้าหรือแปรปรวนเร็วมันก็คือแปรปรวนนั่นเองแต่มีพานนั้นเป็นวิสังขารไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนอะไรที่เป็นผู้เสวยสุขและเสวยทุกข์จึงไม่มีภพที่ต้องอยู่อาศัยเช่นเดียวกับภูมิแลไม่ใช่ไม่มีภพที่อยู่อาศัย เช่นพวกเทวดาพวกพรหมพวกมนุษย์พวกเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าเราได้ฟังได้ พ, พิจารณาตามแล้วมันก็คุมหลักธรรมให้อยู่ในสายกลางคือเป็นมัชชิมาปฏิปทาได้แม้แต่การปฏิบัติกรรมฐานนี้ทําทำยังไงที่เรียกว่าอยู่ในสายกลางไม่ใช่วันนั่งจนเจ็บปวดรวดร้าวหมดแล้วเป็นชาหมดแล้วก็ต้องนั่งอย่างเงี้ยก็มันไม่ใช่กลางแล้วนะเป็นอัตกิลามฐานุโยกไปแล้ว ว่รกรรมาฐานมันใช้ได้ทุกริยาบดยืนเดินนั่งนอนใช้ยังไงก็ได้ให้สติระลึกอยู่กับอารมณ์มันก็เป็นกรรมาฐานได้แล้วก็ดึงกลับเข้ามาอายกลางได้ซึ่งส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการได้สำเนียบศึกษาระดับตับฟังของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นในชุดนี้ทั้งหมดคือคาระวะการความเคารพการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนความสันโดษความกตัญญูกะตะเวทีและการฟังธตา ม, ามตามการเอตมังกะลมุตตะมัง